ข้อว่ากลุ่มได้มีความว่ายังมีสตรีคนหนึ่งรักษาไร่ฝ้ายเมื่อเฝ้าไร่ได้เก็บฝ้ายที่บริสุทธิ์ในไร่นั้นมาปั่นให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วเอาเ ม, มา็ดมะพร้าวมาไว้ข้างในพันได้นั้นให้เป็นกลุ่มเก็บไว้ในพกเมื่อจะกลับบ้านคิดว่าเราจะอาบน้ำในสระโบกคารณีของท่านบัณฑิต จึงวางกลุ่มได้นั้นไว้บนผ้าสาดกแล้วลงอาบน้ำยังมีหญิงคนหนึ่งเห็นได้กลุ่มนั้นก็ถือเอาด้วยมีจิตโลภตกมือพูดว่าโอ้ได้นี้สวยดีท่านทำหรือทำเป็นเหมือนแลดูแล้วเอาใส่ในพกกลีกไปเรื่องที่เหลือพึงทราบโดยในที่มีในก่อนมโหสดบันดิตถามหญิงขโมยก่อนว่า เมื่อเธอทำได้ให้เป็นกลุ่มได้ใส่อะไรไว้ข้างในหญิงขโมยนั้นตอบว่าข้าพเจ้าใส่ผลฝ้ายนั่นเองไว้ข้างในต่อ น, นั้นมโหสถบัณฑิตจึงถามหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของนางตอบว่าใส่เม็ดมะพร้าวไว้ข้างในมโหสถบัณฑิตให้คนของตนกาหนดคาของหญิงทั้งสองไว้แล้วให้คลี่ได้กลุ่มนั้นออก เห็นเม็ดมะพรับจึงให้หญิงขโมยนั้นรับสารภาพว่าเป็นขโมยมหาชนร่าเริงกินดีกล่าวว่ามโหสถบัณฑิตวินิจฉัยความดีได้ให้สาธุการเป็นอันมากหัวข้อว่าบุตรมีความว่ายังมีสตรีคนหนึ่งพาบุตรไปสบุคครณีของมโหสถบัณฑิตเพื่อล้างหน้า เอาบุรอาบน้าแล้วให้นั่งบนผ้าสาดกของตนตนเองลงล้างหน้าขณะนั้นมียักษินีตนหนึ่งเห็นทารกนั้นเกิดอยากจะกินจึงแปลงเพศเป็นสตรีมาถามว่าแน่สหายทารกนี้งามหนอเป็นบุรของเธอหรือครั้นสตรีมารดาทารกนั้นรับว่าเป็นบุรของตนจึงกล่าวว่าฉันจะให้ดื่มนม เมื่อสตรีมารดาทารกอนุญาตแล้วก็อุ้มทารกนั้นให้เล่นหน่อยหนึ่งแล้วพาทารกนั้นหนีไปสตรีมารดาทารกเห็นดังนั้นจึงขึ้นจากน้าวิ่งไปโดยเร็วยึดผ้าสาดกไว้กล่าวว่าเอ็งจะพาบุตรข้าไปไหนนางยักษีนีกล่าวว่าเจ้าได้บุตรมาแต่ไหนนี้บุตรของข้าต่างหาก หญิงทั้งสองทะเลาะกันเดินไปถึงประตูศาลามโหสถบัณฑิตได้ฟังเสียงนางทั้งสองทะเลาะกันให้เรียกเข้ามาถามว่าเรื่องเป็นอย่างไรกันนางทั้งสองก็แจ้งให้ทราบเรื่องนั้นมโหสถบัณฑิตฟังความนั้นแล้วแม่รู้ว่าหญิงนี้เป็นยักษินีอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะในตาไม่กระพริบในตาแดงและไม่มีเงา จึงกล่าวว่าเธอทั้งสองจักยอมรับในวินิจฉัยของเราหรือเมื่อได้รับคำตอบว่าจักตั้งอยู่ในวินิจฉัยจึงขีดรอยที่แผ่นดินให้ทารกนอนกลางรอยขีดให้ยักษีนีจับมือทารกให้หญิงผู้เป็นมารดาจับเท้าแล้วกล่าวว่าเธอทั้งสองคนจงฉุดคร่าเอาไปทารกนั้นเป็นบุตรของผู้สามารถเอาไปได้ นางทั้งสองก็ฆ่าทารกนั้นทารกนั้นถูกฆ่าไปด้วยความลำบากก็ร้องจ้าหญิงมารดาได้ฟังเสียงนั้นก็เป็นเหมือนหัวใจจะแตกปล่อยบุตรยืนร้องไห้อยู่มโหสถบัณฑิตถามมหาชนว่าใจของมารดาทารกอ่อนหรือว่าใจของหญิงไม่ใช่มารดาอ่อนมหาชนตอบว่าใจของมารดาอ่อน มโหสถบัณฑิตจึงถามมหาชนว่าบัดนี้เป็นอย่างไรหญิงผู้คฆ่าทารกไปได้ยืนอยู่เป็นมารดาหรือว่านางผู้สละทารกเสียยืนอยู่เป็นมารดามหาชนตอบว่านางผู้สละทารกยืนอยู่เป็นมารดามโหสถกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายรู้หรือว่านางนี้เป็นคนขโมยทารก มหาชนตอบว่าไม่ทราบมโหสดจึงกล่าวว่านางนี้เป็นยักษินีคร่าเอาธารกไปเพื่อกินมหาชนถามว่ารู้ได้อย่างไรมโหสดตอบว่ารู้ได้อย่างไม่ต้องสงสยัยเพราะยักษินีในตาไม่กระพริบในตาแดงไม่มีเงาและปราศจากความการุณา ลำดับนั้นพระมหาสัตธามหญิงนั้นว่าเธอเป็นใครยักษีนีตอบว่าข้าพเจ้าเป็นยักษีนีพระมหาสัตว์ซักต่อไปว่าเจ้าจะเอาทารกนี้ไปทาไมยักษีนีตอบว่าเอาไปกินพระมหาสัตว์กล่าวว่าแน่นางอันธพาลแต่ก่อนเองทําบาปจึงเกิดเป็นยักษีนี แม่บัดนี้ก็จะยังทำบาปอีกโอเองเป็นคนอันธพาลกล่าวดังนี้แล้วให้ยักษีนีตั้งอยู่ในเบญจศีลแล้วปล่อยตัวไปควายหญิงมารดาทารกกล่าวว่าจงมีอายุยืนนานเถิดนายชมมโหสดบัณฑิตแล้วพาบุตรหลีกไปหัวข้อว่าคนเตี้ยชื่อโคละกาละมีความว่า มีชายคนหนึ่งชื่อโคละกาละเพราะเป็นคนเตี้ยและผิวดำเขาทำงานเจ็ดปีได้ภรรยาชื่อทีคตาหลาวันหนึ่งโคละกาละเรียกภรรยามากล่าวว่าเจ้าจงทอดขนมควรเคี้ยวครั้นนางถามว่าแกจะไปไหนจึงบอกว่าข้าจะไปเยี่ยมบิดามารดานางห้ามว่า แกจะต้องการอะไรด้วยบิดามารดาโคละกาละก็คงสั่งให้ทอดขนมถึงสามครั้งจึงถือเอาสเสบียงและของฝากเดินทางไปกับภรรยานั้นในระหว่างทางได้เห็นแม่น้ำมีกระแสน้ำไหลตื้นแต่สองสามีภรรยานั้นเป็นคนขาดจึงไม่อาจลงก็ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำการนั้น มีชายเข็นใจคนหนึ่งชื่อทีฆะปิตติเดินเรียบมาตามฝั่งแม่น้ำถึงสถานที่นั้นสามีภรรยาเห็นชายนั้นจึงถามว่าแม่น้ำนี้ลึกหรือตื้นนายทีฆะปิตติรู้อยู่ว่าสองสามีภรรยานั้นขาดต่อน้ำจึงตอบว่าแม่น้ำนี้ลึกเหลือเกินปลาร้ายก็ชุมสามีภรรยาจึงซักถามว่า สหายจากไปอย่างไรเล่าชายนั้นตอบว่าเรามีความคุ้นเคยกับจระเข้และมังกรฉะนั้นสัตว์ร้ายเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนเราสองสามีภรรยากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นสหายจงพาเราทั้งสองไปชายนั้นรับคำลำดับนั้นสองสามีภรรยาจึงให้ของเคี้ยวของบริโภคแก่ชายนั้น ชายนั้นบริโภคอิ่มแล้วจึงถามว่าสหายจะให้เราพาใครไปก่อนนายโคละกาละตอบว่าจงพาภรรยาไปก่อนพาเราไปทีหลังชายนั้นรับคำแล้วให้นางทีคตาหลาขึ้นคอถือสเสบียงและของฝากทั้งหมดลงข้ามแม่น้ำไปได้หน่อยหนึ่งแล้วย่อตัวเดินลุยไป ลำดับนั้นนายโคละกาละยืนอยู่ที่ฝั่งคิดว่าแม่น้ำนี้ลึกแท้คนสูงยังเป็นอย่างนี้ส่วนเราไม่ได้การทีเดียวฝ่ายนายทีฆะปิตติท่านางทีฆะตาหลาไปถึงกลางแม่น้ำก็พูดเกี้ยวว่าข้าจักเลี้ยงดูเจ้าเจ้าจักมีผ้าและเครื่องประดับบริบูรณ์มีทาาทาสีแวดล้อม นายโคละกาละตัวเตี้ยคนนี้จะทําอะไรแก่เจ้าได้เจ้าจงทําตาม ค, คําข้านางทีฆตาหลาได้ฟังคําของนายทีฆบิตตินั้นก็ตัดสินีหาในสามีของตนมีจิตปฏิพัตในนายทีฆบิตตินั้นในขณะนั้นเองจึงกล่าวตอบว่าถ้านายไม่ทิ้งฉันฉันจะทําตามคําของนาย นายธีระปิตติกล่าวว่านางพูดอะไรข้าจะเลี้ยงดูนางคนทั้งสองนั้นไปถึงฝั่งโน้นก็ชื่นชมต่อกันและกันและนายโคละกาละเสียกล่าวว่าโรอกรรอกรต่างเคี้ยวกินของควรเคี้ยวต่อหน้านายโคละกาละผู้แลดูอยู่แล้วพากันหลีกไป นายโคลกาละเห็นดังนั้นจึงคิดว่าคนทั้งสองนี้เห็นจะร่วมกันทิ้งเราหนีไปก็วิ่งไปวิ่งมาข้ามลงได้หน่อยหนึ่งก็กลับขึ้นเพราะความกลัวข้ามลงอีกหนหนึ่งด้วยความโกรธในคนทั้งสองนั้นโดดลงด้วยแน่ใจว่าเป็นหรือตายก็ตามทีลงไปในแม่น้ำจึงรู้ว่าตื่น ก็ข้ามขึ้นจากแม่น้ำติดตามไปโดยเร็วพอทันคนทั้งสองนั้นจึงกล่าวว่าแน่ไอ้โจรร้ายมึงจะพาเมียกูไปไหนนายทีฆะปิตติกล่าวตอบว่าแน่ไอ้ถอยแคร่เตี้ยร้ายเมียมึงเมื่อไรกล่าวดังนี้แล้วก็ใส่คอนายโคละกาละไปนายโคละกาละจับมือนางทีฆะตาหลากล่าวว่า รอกรรอกรเองจะไปไหนข้าทำงานมาเจ็ดปีจึงได้เองมาเป็นเมียเมื่อทะเลาะกับนายทีฆะปิตติพลางมาถึงที่ใกล้ศาลาพระมหาสัตว์มหาชนประชุมกันมโหสถบัณฑิตถามว่านั่นเสียงอะไรกันสดับความนั้นแล้วให้เรียกคนทั้งสองมาได้ฟังโต้อตอบกันแล้วกล่าวว่า แกทั้งสองจักยอมรับในวินิจฉัยของเราหรือครั้นคนทั้งสองยอมจึงถามนายทีระปิตติก่อนว่าแกชื่ออะไรข้าพเจ้าชื่อทีคะปิตติก็ภรรยาของแกชื่ออะไรเมื่อไม่ทันรู้จักชื่อก็บอกชื่ออื่นมารดาบิดาของแกชื่ออะไรก็บอกชื่อนั้นๆมารดาบิดาของภรรยาชื่ออะไร เมื่อยังไม่รู้ก็บอกชื่ออื่นลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตจึงให้คนของตนกำหนดถ้อยคำไว้แล้วให้นายทีคะปิตตินั้นออกไปให้เรียกนายโคละกาละมาถามชื่อคนทั้งปวงโดยในหนหลังนายโคละกาละรู้อยู่ตามเป็นจริงก็บอกไม่ผิดพระโพธิสัตว์ให้นำนายโคละกาละออกไป ไม่เรียกนางธีคตาหลามาถามว่าแกชื่ออะไรข้าพเจ้าชื่อธีคตาหลาหัวแกชื่ออะไรเมื่อยังไม่ทันรู้จักชื่อกันก็บอกชื่ออื่นมารดาบิดาของแกชื่ออะไรก็บอกชื่อนั้นนั้นมารดาบิดาของผัวแกชื่ออะไรเมื่อยังไม่รู้จักก็บอกชื่ออื่นมโหสถบัณฑิต ให้เรียกนายทีคะปิตติิและนายโคละกาละมาแล้วถามมหาชนว่าถ้อยคําของนางทีฆตาหลาสมกับคําของนายทีคะปิตติหรือสมกับคําของนายโคละกาละมหาชนตอบว่าถ้อยคําของนางทีฆตาหลาสมกับคําของนายโคละกาละมโหสถบัณฑิตจึงกล่าวว่า นายโคละกาละเป็นผัวของนางทีฆตาหลานายทีฆปิตติเป็นโจรลำดับนั้นมโหสถจึงถามนายทีฆปิตติว่าเจ้าเป็นโจรหรือนายทีฆปิตติรับสารภาพว่าเป็นโจร น, นายโคละกาละได้ภรรยาของตนคืนด้วยวินิจฉัยของมโหสถบัณฑิตก็ชมเชยมโหสถบัณฑิต แล้วพาภรรยาหลีกไปมโหสถบัณฑิตกล่าวกับนายทีฆะปิตติว่าจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าอย่าทำกรรมเช่นนี้อีกหัวข้อว่ารถมีความว่าการนั้นยังมีบุรุษคนหนึ่งนั่งในรถออกจากบ้านเพื่อล้างหน้าขณะนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงพิจารณาเห็นพระโพธิสัตว์จึงดำริว่า เราจากทาปัญญานุภาพแห่งมโหสถผู้พุทธทางกูลให้ปรากฏจึงเสด็จมาด้วยเพศแห่งมนุษย์จับท้ายรถไปบุรุษเจ้าของรถถามว่าแน่ ä, พ่อพ่อมาด้วยประโยชน์อะไรครั้นได้ฟังว่าจะมาเพื่ออุปถากตนจึงรับว่าดีแล้วก็ลงจากรถไปเพื่อทำสรีะกิจ ขณะนั้นเท้าสักกะเทวราชขึ้นรถขับไปโดยเร็วบุรุษเจ้าของรถทำสรีระกิจแล้วออกมาเห็นเท้าสักกะเทวราชลักรถหนีไปก็ติดตามไปโดยเร็วกล่าวว่าหยุดโกนหยุดโกนแกจะนํารถของข้าไปไหนเมื่อเท้าสักกะตอบว่ารถของแกคันอื่นแต่คันนี้รถของข้า ก็เกิดทะเลาะกันไปถึงประตูสาลามโหสถบัณฑิตถามว่าเรื่องอะไรกันแล้วให้เรียกคนทั้งสองนั้นมาเห็นคนทั้งสองมาด้วยอาการนั้นก็รู้ชัดว่าผู้นี้เป็นเท้าสักกะเทวราชเพราะปราศจากความกลัวเกรงและเพราะในตาไม่กระพริบผู้นี้เป็นเจ้าของรถแม้เมื่อเป็นเช่นนั้น มโหสถก็ถามถึงเหตุแห่งการวิวาทกล่าวว่าท่านทั้งสองจักยอมรับในวินิจฉัยของเราหรือเมื่อได้ฟังรับว่าจักตั้งอยู่จึงกล่าวว่าเราจักขับรถไปท่านทั้งสองจงจับท้ายรถเจ้าของรถจักไม่ปล่อยผู้ไม่ใช่เจ้าของรถจักปล่อยกล่าวชนี้แล้วสั่งบุรุษคนหนึ่งว่าจงขับรถไป บุรุษนั้นได้ทำตามนั้นคนทั้งสองจับท้ายรถวิ่งตามไปเจ้าของรถไปได้หน่อยหนึ่งเหน็ดเหนื่อยจึงปล่อยรถยืนอยู่ฝ่ายเท้าสักกะเทวราชวิ่งไปกับรถทีเดียววโหสดบัณฑิตก็สั่งให้กลับรถแล้วแจ้งแก่มหาชนว่าบุรุษนี้ไปหน่อยหนึ่งก็ปล่อยรถยืนอยู่แต่บุรุษนี้วิ่งไปกับรถมากับรถ แม้เพียงหยาดเหงื่อและสรีระของเขาก็ไม่มีหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่มีหาความสตุกสถานมิได้ในตาก็ไม่กระพริบผู้นี้คือเท้าสักกะเทวราชลำดับนั้นมโหสดบัณฑิตถามว่าท่านเป็นเท้าสักกะเทวราชมิใช่หรือครันได้รับตอบว่าใช่จึงถามว่าพระองค์เสด็จมาที่นี้เพื่ออะไร ครั้นได้รับตอบว่าเพื่อประกาศปัญญาของเธอนั่นแหละจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์อย่าได้กระทําอย่างนี้อีกเท้าสักกะเทวราชเมื่อจะแสดงสักการุภาพก็สถิตยอยู่ในอากาศตรัตชมเฉยมโหสถบัณฑิตว่าเธอวินิจฉัยความดีเธอวินิจฉัยความดีมดแล้วเสด็จกลับยังทิพยสถานของตน การนั้นอมาตนนั้นไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชด้วยตนเองถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าความเรื่องรถมโหสถกุมารมินิชัยดีอย่างนี้แม้เท้าสักกะเทวราชก็ยังแพ้เหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงทราบบุรุษพิเศษเล่าขอเดชะพระราชาตรัสถามเสนกะอาจารย์ว่าควรนำบัณฑิตมาหรื อ, อยัง อาจารย์เสนกะเป็นคนตรณีจึงได้ทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบุคคลได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้โปรดรอไปก่อนเราจะทดลงเขาแล้วจักรู้พระราชาทรงดุษณีภาพปัญหาของทารกเจ็ดข้อจบ